ถ้าไ ม, มมไม่มีโมหะไม่หัดโมหะกับปัญญาเนี่เป็นของตรงข้ามกันโ ม, มหะปัญญามีอีกชื่อหนึ่งว่าอโ ม, มหะถ้ารู้ตัวได้จริงๆแล้จะสว่างสวยอยู่ข้างในรู้สึกเหมือนกตื่นขึ้นจริงๆคนส่วนใหญ่ไม่ตื่นจริงๆตื่นแต่ตัวนะข้างในมึดๆข้างในนั่งฝันดูออกเป็นยังดูสองสามวันวนะ นีไม่คิดนะนี่ีพาใครมาบ้างโ น, โ น, นี่มาจากไหนไไอืออะไรเคยฝึกที่ไหนไหมหอมดีดมเลยนะฝึกก็ดีทั้งนั้นนะดีก็ไม่ทำเลย ปล่อยชีวิตหายใจทิ้งเปล่าหลวงพ่อพิธีอย่างนี้สอนหายใจน ะ, ะนับปัณสตินับปัณสติเป็นกรรมฐานที่ทํายากที่สุดเลยเป็นยอดกรรมฐานทายากทํ <c oughs> าล้วพร้อมจะพลาดเป็นสมถะง่ายที่สุดเลยพเวลาจิตจะรวมเป็นสมถะบางทีจิตเข้าไปเกาะลมสบายรวมง่าย เนี่ยจะหายใจไปเรารู้สึกตัวไปนี่ยากมากยากหายใจเราไม่เผลอไปเห็นร่างกายนี้สักแต่หายใจไปเห็นร่างกายเป็นรูปเคลื่อนไหวไปเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นาธาตุไหลเข้าไหลออกแล้วใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆจะฝึกสำนักไหนก็ได้เท่านั้นนะมันไปได้เั่านั้นนะเราอยออ่าไป ราคาสั่งอยู่จุดได้จุดหนึ่งเท่านั้นเองส่วนมากเราจะไปหยุดหยุดจุดไดจุดหนึ่งเราไปหยุดในจุดต้นๆเนียเสร็จแล้วจะเริ่มทะเลาะกันระหว่างสำนักเพราจุดเริ่มต้นมัทีแตกต่างกันแต่ถ้าเข้าใจเรื่องการเจริญสติสมยามัชัญากจริงๆรู้ว่าจะพัฒนาต่อไปอยังไงไม่ต้องทะเลาะกันจิตใจมันเกรงรู้ไหม รู้ลงไปเลยนะการปฏิบัติธรรมการเจริญสติแท้จริงเนี่ยไม่ใช่การปรุงแต่งอะไรขึ้นมานะไม่ใช่การดัดแปลงตัวเองนะส่วนมากเราเริ่มปฏิบัติเราจะชอบไปดัดแปลงตัวเองให้มันแปลกกว่าธรรมดาหนะ้านะที่เราไม่ใช่ไปปรุงแต่งหรอกแต่หน้าที่เรารู้เท่าทันความปรุงแต่งทางกายทางาใจไม่รู้ไปเลยจิตใจเป็นยังไงก็รู้ไปเลย ร่างกายจะดูกายก่อนก็ได้เป็นร่างกายหายใจไปก็ได้ดูท้องฟองท้องอยุบไปก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าทําแล้วเนี่ยจุดสําคัญก็คือทําเพื่อความไม่เผลอเพื่อความมีสติสัมภิชัญญาในอัตตถามหาสติปัฏฐานท่านสอนว่าจริงๆแล้วสติปัฏฐานมีหนึ่งเท่านั้นเองนะคือฝึกให้มีสติสัมภิชัญญา มีเป้าหมายอันเดียวกันคือความบริสุทธิ์แต่มีสีด้วยอารมณ์ของจิตด้วยกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้กายถ้าเราจมอยู่กับกายกท่าที่ว่าไปไม่ถึงปลายทางรู้เวทนาแล้วเพ่งเกาะเอาจิตติดเกาะอยู่ที่เวทนานก็ไปไม่ถึงปลายทางเพราะเป้าหมายของการปฏิบัติของการเจริญสติขัฐานทาไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะ เมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วคุณธรรมฝ่ายบีทั้งหลายมันจะตา ม, มาถ้าขาดสติแค่ตัวเดียวนะอกุศลก็มามีสติอย่างเดียวไม่มีสัมปชัญญะเขาไปเพียงเอาได้สมถะได้ความสงบย่งหน้าที่ต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ทันอย่างนี้รู้รู้ชัดรู้ทันอะไรปรากฏทางกายทางใจเขารู้ทันไปเรื่อยรู้ทันหมายถึงว่าไม่หลงจะยินกับมันนะ ไม่ถลำมลงไปออย่าง Strand, นั้นไม่ใช่รู้ทันก็เรียกว่าหลงรู้แล้วไปหลงหายใจเข้าหายใจออกแล้วใจไปหลงอยู่กับลมก็มีมีสติแต่ไม่มีความรู้สึกตัวฉันเล่นยากงานปรัสเตียพอหลงง่ายคุณเสื้อเขียวนี่เราทำอะไรอยู่ตอนนี้จิต เมื่อกี้นี้ดูอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ทาอะไรล่ะอืรู้ว่าเผลอไหมรู้ว่าเผล อ, น, ลอนะนี่หักสังเกียรติภาวะแห่งความเผิอเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เอนะพอเรารู้ว่าเผลอในทันทีที่รู้ว่าเผลอความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นมาขณะที่เผลอใจเราก็จะไหลไนปะ ไปทางตาเห็นคนเดินมาใจเราไหลอยู่กับเขาเราลืมตัวเองรูปนามของเราหายไม่มีไปคิดรู้มมันมีไปคิดรูปนามของเราหายหมดเนี่ยเตอไปเยอะรู้ไหมถ้าฝึกมากเข้ามาเข้าเนี่ยเราจะพบสภาวะแค่สองงานหนึ่งสามอย่างสามอย่างอันหนึง่งคือสภาวะที่ ม, มีสติสัมปชัญญะเต๋อไปเลยใจลอยไปเลย หรือไปคิดอะไรก็ได้แล้วไปจมอยู่ในความคิดไปเลยเคลื่อเคไปสภาวะที่สองมีสติสติจ่อลงไปในเรื่องอันใดอันหนึ่งเช่นะจ่อลงไปที่ท้องจ่อไปกระลมหายใจใจเคลื่อนลงไปเกานะภาวะนั้นจะเกิดอาการในจิตใจอย่างหนึ่คือตึงตึขึ้นมาทื่อขึ้นมาแข็งแขงขึ้นมานะจิตที่ซึมซมทื่ อ, อ, อแข็งเนี่ย ขาดองค์ประกอบของมหาอคุสนจิตไปแล้วจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตดวงนั้นไม่อกุศนเกิดด้วยอำนาจโมหะชื้นๆแล้วเราคอยตัณฑ์จิตใจพอเราลงมือปฏิบัติแล้ใจเราแข็งแข็งชื้นๆเมื่อไหร่นะรูล้ลึกไปแล้วพลาดแล้วมีอะไรผิดพลาดแล้วรูแม้มมาทําใจให้ชื้ออีกนะ ใช่ใช่พกิจเพื่อสมถะทําสมถะไม่เป็นทายังไงถึงจะได้พักล่ะหาอารมณที่ชอบใจเอามาทำนะอารมณ์นั้นต้องมียั่วกิเลสเช่นเป็นต้นว่าอา่านหนังสือธรรมะชัดอ่านเนี่ชัดนะเรื่องที่ชอบบางคนชอบอ่านพระสูตรจจอบบ่านแล้วจิตใจเบิกบานสบายใ น, นก็ได้ความสุขได้ความสงบได้พักผ่อน ทีสามคือความมีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือเป็นตัวปัญญาสัมปชัญญะเมื่อมันเป็นตัวปัญญาในเขตใกล้มันเกิดสัมปชัญญะคือสัมมาสมาธิใจที่ตั้งมัน่นตรงนี้ที่หลวงพ่อพูดทีแรกเพราะว่าพวกเรามางีลาเลยสัมมาสมาธิแต่สัมมาสมาธิก็ไม่ใช่การทําสมถะอย่างนั้นนะที่ทําสมถะให้น่งให้แข็งให้เคลิ้มมันไม่ใช่สัมมาสมาธิเป็นวิชาวสมาธิ สมาธิต้องประกอบด้วยสติตลอดเวลามีความรู้สึกตัวไม่หลงไม่เบลอไปเองจะว่าใจไปรู้อารมณ์มันเดียววิธีง่ายๆที่ใจจะเกิดสมาธิที่มีสตินี่แหละรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นรู้ทันใจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นเช่นเราเห็นคนเดินมาใจเราก็อยู่ที่เขาแนละ้วไปมองเขาแล้วเราลืมตัวเราเองนี่เรียกว่าใจเราไม่ตั้งมั่นหลงไปทางตาหรือเรานั่งๆอย่างนี้เราคิด ฟังแล้วเราคิดตามแต่งเก็บนะิดฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดสลับกันเรานั่งฟังธรรมะเนี่ยเราใช้อยตนะสามตัวเดี๋ยวก็ดูนะเดี๋ยวก็มาดูเสร็จแล้วก็มาคิดนิดนึงมาฟังแล้วก็มาคิดอีกนิดนึงสลับกันไปหน้าที่ของเราคือรู้ทันนะจิตใจไปทางตาก็รู้ไปทางหูก็รู้ไปทางใจทางในความคิดนึกตัวแต่ก็รู้ทันนะ ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อน ร, รู้ทันการเคลื่อนทั้งภายนอกภายในสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นอย่าอัตโนมัติเพราะสัมาสมาธิมันเกิดจากอินทรียสังวรการที่เรามีสติสัมปชัญญะเข้ารู้การกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกาใจอยู่นั่นแหละเรียกว่าอินทรียสังวรทําให้เกิดสัมมาสมาธิที่ใจตั้งมั่นเช่นเรากําลังคิดคิ ด, คดอยากพูดทราบไหม เวลาใจมันคิดคิดคิดไปเรารู้ทันว่าอ่ะเหลอไปคิดแนละ้วไหลไปนในโลกของความคิดแล้วพอรู้ทันหนึ่สติรู้ทันการทํางานทางใจที่กระทบกับธรรมารงความฟุ้งซ่านมันจะขาดไปจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นหนึ่งขณะจิตทัทนทีที่จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะรู้สึกตัวขึ้นถ้าใจเราไม่อยู่กับตัวเราแต่อยู่ที่อื่เราก็ไม่รู้สึกตัว เ่ไม่มีสองอย่างนะต้องต้องสังเกตให้ดีจิตสัต์แต่รู้เนี่ยอย่างหนึ่งจิตถลําลงไปรู้นี่อีกอย่างหนึ่งสองอันนี้ไม่เหมือนกันนักปฏิบัติจะพลาดตรงนี้เยอะคือเราไม่สัตแต่รู้แต่เราถลําลงไปรู้พอจะดูออกไหมถลำใช่ไหยพอจะรู้เท้องของท้องยุบจิตถลําลงจิตถลําลงเข้าท้องไปเลยเสร็จแล้วก็ไปนั่งพิงอยู่ ถ้าตรงนั้นถ้าย้อนมาสังเกตที่จิตใจจะเห็นว่ามันแข็งแข็งทื่อทื่ตึงตึงอย่นี้มันตึงขที่มาหน่อยอย่างนะดับไหมมันแปลกแยกออกจากธรรมดาหน้าที่เรารู้ทันนะ น, นี่คือความปรุงแต่งถ้าเราจะทานิปสพานเราต้องรู้ทันความปรุงแต่งถ้าเรารู้ทันสภาวะของความปรุงแต่งของรูปของนามไม่ได้เนี้เราทนานิพพานไม่ได้จริงทาได้แค่สมถะ อย่างเป็นต้นว่าเราดูท้องของท้องยุบเราไม่เผลอเลยสติเราจ่ออยู่ที่ท้องเลยมันไม่คลาดเคลื่อนเลยได้สมัครธแต่ถ้าเราเห็นท้องของท้องยุบสัตว์แต่เห็นนะใจไม่ขรั่งลงนี้ท้องสัต์แต่เห็นอยู่จะเห็นว่าท้องเนี่ยมันหายใจแต่ธาตุที่มันเคลื่อนไหวเ น, นะกระเพื่อมไปกระเพื่อมไปมันไม่ใช่เราหายใจน ะ, นะไม่ใช่ท้องของเราด้วยแต่เป็นภาคมันทํางานมันเคลื่อนไหวนะ เนี่ยถึงจะไปเดินนิพนานได้เกินอะไรลรู้ไหมอาจารย์ครับังจะรู้ว่าเราเป็นสัมมาธิรสมาธิคือจว่าเบาเบสบาคือเบาเบสบายก็ดูยากเล่มหนึ่งนะองคประกอบของมหากรุสุสยจิตที่เยอะนะจิตที่เป็นวิจฉาสมาธิบางชนิดก็เบาเกันดูที่เบาเบาอันเดียวไม่พอ สังเกตสภาวะอีกว่าสภาวะนี้เนี่ยจิตมันมีตัณหามีความทยานไปทางตาทางหูจมูกลิ้นใจทยานไปในโลกของใจของความคิดนึกคุณแต่รู้ทันความเคลื่อนไปของเขาทนะันทีที่รู้ทันความเคลื่อนไปนะสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองพรนะาะตัณมาตัมฑที่เกิดจากอินเสียสังวหอนะจากสีนั่นแหละใจที่เป็นปกติ มันเกิดมันจะว่าเกิดเองก็ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกิดเองมีเหตุให้เกิดเหตุของการที่จะลดละอุปาทานก็คือการที่จิตเได้เห็นข้อเท็จจริงอยู่เนืองๆแต่ว่ารูปกันนามนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่การคิดแล้วไม่ใช่การคิด จะเป็นการต้องไปเห็นสภาวะจริงๆเช่นเรามีสติสัมผััญญาเราเห็นท้องพองทองยุกหรือเราเห็นการหายใจเข้าให้ยใจออกเราเห็นแต่ธาตุมันเคลื่อนไหวเห็นแต่รูปมันเคลื่อนไหวรูปนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆรูปพองกับรูปยุบตัวรูปกันรูปเปลี่ยนรูปเกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราในรูปไม่มีในรูปก็ไม่มีตัวเรารูปก็ไม่ใช่ตัวเราก็เห็นซ้ำซัของรูปประการสำคัญ สติปัญญาเนี่ยสติไปรู้รูปนามสัมปชัญญะเป็นตัวที่เรารู้โดยความไม่หลงรู้โดยหลงไม่หลงยินเข้าไปใจรอยหรือนม่ เปเหมือนว่าไม่มีผู้รู้การคำนี้ค่ะเอามือเมือเชนมารถทีดจะทำสื่อการร่ายร่หรือละวาที่ได้ื่อะไรอีกบ้างไ่าใจอย์ว่าไงเดวราอาจริงซอ่าคือการที่หรือการสร้างบรรยากาศเปการกำหนด คือการเข่งเนี่ยนะ<ม>ก็เป็นสมถะกันกำหนดก็เป็นสมถะนะหลักของสมถะคือการมีสติอันเดียวมีสติอัญญนเดียวกําหนดนะอย่างลงไปในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเ น, นื่องหลักของสมถะไม่สามารถทำไม่ได้ <c oughs> แก้ปัญหาแก้ปัญหได้ แต่ก็แก้ได้นะหูหมามันไม่เจริญสติมันก็แก้ปัญหาของมันได้ทุกก็ได้เป็นระดับไปถามว่ารักทุกข์ได้ไหมรักไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ไว้รัทุกข์เอาไว้รู้นะแต่ว่าพ้นได้ง่ายนิดเดียวคือธนาจิตที่กําหนดอยู่รู้ทันว่ากำหนดเท่านั้นเอง ไปหลงเพ่งอยู่นะเพ่ลงลมหายใจอยู่รู้ทันว่ากาลังเพ่งอยู่นั่นก็ใช้ได้แนละ้วไม่ได้เรื่องยากอะไรนะต่อยอดจากที่เราไปทำอย่างนี้เดียวเองเคยเดินจงกรมกําหนดจิตกอบอยู่ที่เท้าเลยเห็นแต่เท้าเคลื่อนไปเืิดรู้ทันว่าจิตไหลลงไปอยู่ที่เท้าแนละ้วก็ใช้ได้นะดแล้วใจซึมแล้วรู้หมนั้นไนะนะี่เป็นโมหะอย่างนี้ รู้ทันเลยรู้ทันเนอะใช่เขรู้ทันแล้วมันก็รู้ตัวนะที่ผนะมได้ยินว่าจุดจ่อนิ่งเข้ยยาดูทอเป็นสังเกตจ่อเต้าดูสังเกต คืออย่างความตั้งใจจะทําการกําหนดอะพวกนี้กําหนดลมหายใจกําหนดท้องห้องพ อ, องยุบกําหนดยกเท้าย่ง้งเท้าสารพัด ก, กําหนดนะเนี่ยเบื้องหลังของการกําหนดเนะี่ยคืปัญหาในตาราสอนนะไว้บอกว่าสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นทุกข์นะเราฟังแล้วจะช็อกออกนะปฏิบัติสติอันกําหนดรู้รูปนามเป็นอารมณ์นะั่นแหะเป็นทุกข์ นะตันหาซึ่งอยู่เบื้องหลังการกำหนดนี่คือตัวสมุทยัยนะเรียนแล้วพยายามเข้ามาให้ถึงตรงนี้รู้เลยว่าจงใจปฏิบัตนะิในความทุกข์ก็เกิดส่วนการระรึกรู้จะมาอยากพูดแค่สองตัวนะกำหนดรู้หรือรารึกรู้ระลึกรู้เนี่ยเบื้องหลังไม่ใช่ตันหาเป็นการรู้ไปตามธรรมชาตินั่นเอง เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรูร้ได้อยู่แนละ้วแต่ส่วนมากเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะเติมความอยากรู้ลงไปลงไปนั่งจ้องไว้การที่เราจ้องเนี่ยจะทำให้เราเคลื่อนออกจากปัจจุบันใครเคยขึ้นรถไฟบ้มเวลาขึ้นรถไฟนะแล้วเราดูออกไปนอกหน้าต่างไคสังเกตไหมว่าตาเราจะต้องขยับอยู่เรื่อยๆมันจะหลงดูรูปเนี่ยที่ผ่านไปแล้ว มันจะไปหยุดอยู่ที่รูปใดรูปหนึ่งพอลดเคลื่อนใช่ไหมต้องคล้ายๆเคลื่อนแต่ตาจะเคลื่อนต้องขยับอยู่ด้วยตาจะสักแตรู้รูปอยู่นี้ไม่ได้สภาวะของจิตก็คล้ายๆกันพอมันไปรู้อารมณ์นี่นะถ้าสติปัญญานะไม่กล้าแข็งพอเนี่ยมันจะตกเป็นส่วนดิเช่นใจกาลังเคลื่อนเคลื่อ น, เ ค, อ น, เ, คอนเคลื่อนอยู่เราเห็นอารมณ์ไหลผ่านหน้าเราไปไหลไหลไห ล, ไ, หลไปนะเกิดสะดุดใจนิดหนึ่งมันจะเข้าไปคอนเซนเทรต อารมณ์จะเริหลุดไปแล้วแต่เราเฝ้าตามไปเราทิ้งปัจจุบันครัไปตรงนั้นช่วงเวลาตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่คิดนักปรุงแต่งได้ถ้าช่วงอยู่กับปัจจุบันแท้ๆจะปรุงแต่งไม่ได้หอกจะเห็นแต่รูปนามปรากฏก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเฉยๆมีการสักแต่ว่ารู้ต้อง หากสังเกยียตสภาว่าว่าอันไหนเป็นสัตว์แต่ว่ารู้อันไหนเป็นกําหนดรู้อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งจนะเรี่อาจารย์ทางนี้พูดตะ ก, กี้ใจมันแข็งแข็งกำหนดแล้วมันแข็งแข็งขึ้นมาผิดธรรมชาติรู้ไหมว่ามันแข็งผิดธรรมชาติรู้ทันนี่ของปลอมเราปลอมโดยคิดว่าเราปฏิบัติอยู่หน้าที่ของเราไม่ใช่ปรุงแต่งนะ หน้าที่ของผู้เจริญนิพพานรู้เท่าทันความปรุงแต่งของรูปนามไม่ใช่ไปปรุงแต่งรูปนามแะ่เองพอเราลงมือปฏิบัติเราก็ทําใจในของเรานิ่งๆทื่อๆไว้ก็เ ข, ข้าดูแบบมันดูแบบเอาเป็นเอาตายไปใหม่ๆฟังยากนิดนึงนะตงทนต้องทนทนฟังายาก ยากสัวันนี้ก็ดีแบบไปรอยากตอนเจอพระศีอานมน่รอว่าิมันเป็นรรสยากเมอกัอนไปทำจิตให้เป็นกลางเราไม่ทำะถ้าคิดจะทำจิตให้เป็นกลางนั่นเนี่ยทำด้วยหลวงพ่อ เราไม่มีหน้าที่ทำจิตให้เป็นอะไรเลยไม่มีกระทั่งหน้าที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจิตจะเป็นอะไรเรื่องของจิตแล้วเราจะเฝ้ารู้จนกระทั่งรู้ว่าจิตไม่ใช่เราเราจะเรียนจนกระทั่งรู้ว่าจริงๆงแล้วจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเรียนเพื่อจะไปทาจิตให้ดีมันก็มัน เหมือน<ช>มันจะต้องคลุมแต่<อ>หรือว่าพยายามคือถ้าหากสติสัมปชัญญะถูกต้องเลีขึ้นทีเดียวนะขณะจิตเดียวเนี่ยอกุศลไม่มีเพราะอกุศลจะเกิดพร้อมสติไม่ได้เลยจะไม่มีอกุศลให้หลักอย่างเราบางทีเราเห็นสมมติเราเห็นราคาเกิดขึ้นมาราคะเราไปนั่งดูราคาเนี้ยทำไมราคาไม่ดับใช่ อ, อ้าอภิธรรมผิดแล้วเหรอ ว่าสติเนี่ยเป็นตัวองค์ทำป่ายกุศลที่เกิดร่วมกับราคะได้ยังถ้าดูดูแบบอย่างนั้นก็จะเข้าใจไม่ได้แต่ถ้าเราสังเกตให้ดีในขณะที่เห็นราคะเนี่ยถ้ามีสติระลึกรู้ระลึกรู้ร า, รรราคะสักว่ารู้ในขณะที่ระลึกรู้ราคะเนี่ยจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเป็นกลางตั้งมั่นเป็นคนดูจริงๆจะไม่กระโดดเข้าไปถล่มลงไปในราคะ ก็จะเห็นราคะเนี่ยเคลื่อนไหวไปเกิืนดับไปแต่ในธรรมชาติที่เป็นผู้ไปรู้ราคะไม่เคยมีราคาอยู่เลยแพระพุทธเจ้าถึงสอนในสติปัฏฐานเนประโยคสองประโยคจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะท่านบอกว่าจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะทันทีที่เรามีสติสัมปชัญญะถูกต้องจิตไม่มีราคะ แต่ราชาจะมีหรือไม่มีขึ้นกับเดีดของมันถ้ า, ากรารกระทบอารมณ์ที่ชอบใจยังมีอยู่ราชายัางมีอิต่เยู้จิตที่เรารู้นรา้ราชาไม่มีร า, าชาเพราะพราะอะไรเพราะจิตเป็นองค์ธรรมอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เจตสิกราชาเป็นเจตสิกเป็นอกุศลเจตสิกด้วย จิตที่ไปรู้ราคาเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยคูสนเกตสิทธิ์จริงๆแล้วถ้าจะพูดให้ตรงตำลาเนีก็คือมันสลับกันสลับกันรวนเร็วถ้าเห็ยังอยู่เหยังอยู่มันก็เกิดหยินเทียบง่ายๆสวนขับรถอยู่เห็นเขา้าปากถ้าสติไวทนัทนเห็นรูปเป็นหนึ่งปรากฏแล้วรูปดับไปไม่เกิด นะถ้าสติไม่ทันที่จะเห็นรูปปรมาัศน์ปรากฏแล้วดับความคิดก็จะเกิดขึ้นมาเริ่มจากความจําได้หมายรู้แล้วอย่างนี้อย่างนี้มันปาดเสร็จแล้วสันฐานก็กลุ่ต่อเลยมันดูถูกกันอีกเริ่มเมตะให้ค่าค่าบวกค่าลบนะนะตรงนี้ถ้าสติรู้ทันความคิดไม่กลุ่มตะตรง น, นี้ก็จบอีกถ้าสติรู้ไม่ทันอะ่ะโกรธโกรธ พอโกรธแล้วถ้าเรามาเห็นความโกรธบางคนพอโกรธปุ๊มาดูโกรธท่าไปเรื่อยๆโหน้อโกรธนะตอนที่ท่องโกรธนาะก็ไม่เห็นความโกรธนะขณะจิตที่รู้กับขณะจิตที่คิดก็คนละขณะสมมติว่าเห็นความโกรธแล้วเราดูความโกรธอยู่ความโกรธดับไปเราก็เกิดความสําคัญผิดว่าเราดับความโกรธได้ด้วยการไปดูเหมือนเท่าความจริงเหตุของความโกรธมันดับต่างหาคือขณะที่เรามาดูความโกรธเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องเขาปาด ตามกฎก็ไม่มีเหตุมันก็ดับถ้าถ้าเห็นจริงๆก็จะเห็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูหัดดูนะอารมณ์อะไรกีเลสอะไรปรากฏจ้องใส่เจ้องใส่มีจะดับเลยเพราะเหตุมันดับแต่เราคิดว่ามันดับเพราะเราไปเจ้องมันเข้าเพราะเราไปรู้มันเข้าเป็นไปได้ไหมครับว่าเหตุรู้ทันก็ดับเหตุไม่ได้ดไม่ไใช่ไม่มีใครคขาดับกีเลสได้ทุกข์ก็ดับไม่ได้ แเหตของทุกข์ดับทุกข์ถึงจะดับเราพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้ดับทุกข์ไม่ได้สอนให้ดับรูปนามแต่สอนว่าให้รู้มัให้ละความอยากนะใหละสมุทยัยสมุทัยมีอะไรบ้างความอยากมีหกตัวความอยากที่ไปทางตาความทยานไปทางตาหูจมูกลิ้นกาใจนั่นเองให้รู้ทันจิตใจที่ทะยานไป เี่ยีไปรู้ออกไหมนีไปทางใจจริี่ยดับฟังนะฟังแล้วไปคิดมัม้ยตนะตรงที่คิดตามเอ้ยนี้ฟังเชิงปริญติก็ฟังไปคิดไปนะถ้าเราจะเรียนเชิงปฏิบัติฟังแล้วหลงไปในความคิดก็รู้ทันว่าหลงเข้าไปในความคิดนะแต่เราจะไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องแต่เรารู้สภาวะท่านจะเห็นว่าความหลงเนี่ยเกิดขึ้นมานะก็ดับไป เรียนพยายามเรียนเข้ามาให้ถึงตัวประการวะนะคือพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทมที่ควรเจริญมีสองงานคือสมถะและวิปัสนาเน่เราะฉั้นอาตมาเป็นสาวกจะไปบอกว่าไม่ควรเจริญสมถะไม่ได้แต่ว่าเราจะทำสมถะหรือทำวิปัสนาเนี่ยต้องทำอย่างมีเหตุผล ขณะนี้ควรจะเจริญวิปัสสนาก็าไม่ใช่ไปแช่อยู่กับสมถนะขณะนี้จิตฟุ้งร้างจนรู้รูปนามไม่ได้แล้วไม่ใช่เวลาที่จะเจริญสติแล้วเป็นเวลาที่ต้องทำสมถะคือเราจะทำอะไรช่วงไหนไเนี้ยต้องมีเหตุผลเวลาเราเราไม่คนคนห่ลเรา มันละเอีที่มีสิตัวเียกคือว่ายางไม่สะอาดเรื่องมันลเอียดเนี่ยนะเราทายังไงเราถึงจะทำให้ผดตรงนั้นบีบกระรู้ทันรู้ทันมันลเกียดเพราะขาะแรกที่มองเห็นยังสาดใช่ไหมอารมณ์ปัจจุบันตัวนั้นเป็นรูปอารมณ์ใช่ไหรูปที่ตากฏทางตา พอสัญญาผุดขึ้นมาว่าแมงสาบนะสังขารให้ข้าไม่ดีโกรกโกรกใจรังเกียจกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจความรังเกียจเกิดขึ้นรังเกียจเป็นธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันแมงสาเป็นอดีตรูปของแมงสาเป็นอดีตนะเงั้นไม่ต้องไปพิจรารณารูปตัวนั้นแล้รูปตัวนั้นเป็นอดีตจบไปแล้วนะรูอวนะร้อารมณ์ปัจจุบันคือความรังเกียจนะถ้ารังเกียจแล้วอยากฆ่าแมงสามีโทสนะแล้ว อยากฆ่าในสัตรู้ว่าอยากฆ่ามันกลับเป็นอารมณ์ปัจจุบันเนี่รู้ว่าอารมณ์ปัจจุบันอั่เดียด้วยแล้วเราจะเห็นว่าอารมณ์แต่ละตัวนี้ยเกิดกับเกิดกลับไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลักเขาอะไรเกิดขึ้นเอาไว้ดูจริงแต่ว่าเราเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากของเราไว้หมาถึงว่าเรามีศีลห้ารักษากายวาจาไว้ก่อนจิตเนี่ยเข้ารู้ไปถ้าจิตที่มัน สมมตินกถึงใคแล้วก็นึกเราเกลียดแล้วก็รู้เกลียหรือว่าเป็นมันมันคือขณะที่นึกเราเกลียดเนี่ยจิตเป็นโทสะขณะที่รู้ทันว่าจิตกําลังเกลียดเกิดมหากุศลรจิตแล้วคนละขนาดกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกใจว่าจะไปละจิตที่เกลียดได้ยังไงเพราะขณะจิตที่รู้ว่าเกลียดเนี่ยเป็นมหากุศลแล้วไม่มีจิตเกลียดที่จะต้องละแล้วตจิตเกลียดตรงนั้นก็เป็นเดี๋ยมันเกิดขึ้นอีกเองเดี๋ยวมันเกิดขณะที่ นะเพราะว่าการทำเนี่ยกนะารที่เรากระทำจำแต่ละครั้งเนี่ยมันจะสะสมเป็นนิสัยจิตนะใจคุ้นเคยที่ทำโทรศัพท์เก็จะจัดเก็บอนุสัยของโทรศัพทไวนะ้อนุใสเนี่ยพอกระทบมาลงเนี่ยอนุใสมันก็ขุดขึ้นมาทํางานยิ่งเก็บกลับเข้าไอีกแต่เวลาเราจเจริญสติเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนนิสัยนะนะเพราะว่ากิเลสมันทํางานไม่ได้ ในขณะที่มีสติสัมปชัญญะกิเลสจะทํางานขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีกิเลสจะให้ละแต่ว่าอนุสัยเนี่ยจะค่อยๆจุบละมิสยัยเปลี่ยนครับเพราะว่านอกจากเราจะเจริญสติแล้วเนี่ยเราเราไปคิดไปที่ดีต่อเขาหรือว่าต อ, อันนั้นเป็นการแก้อาการนะอะไรจะดีหรือครับออแล้วแต่สถานการณ์นะสมมุติว่าเกลียดมากําลังจะฆ่าเขาลนะะเจริญสติไม่ทันก็รีบแผ่เมตตารืออะไรก็ได้ นะเอาตัวรอดไปก่อนนะเหมือนอย่างพระหนุมน่มๆ น, มนี่คิดถึงสาวอยู่ไม่ได้แล้วจะสึกแล้วนะเฝ้าะระลึกรู้ราคาที่เกิดดับจนเห็นราคาไม่ใช่เราอะไรก็ทําให้เป็นแล้วนะครูบาอาจารย์ก็บอกให้เอาตัวรอดรีบคิดเลยว่าสาวมันสบกบรกเป็นอาชีพภาอย่างนี้ น, นี่วิธีเอาตัวรอดใช่ไหมถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็จําเป็นใงบางสถานการณนะ์คิดในจากเขาในแง่ดีดี แต่ถามว่าเกี่ยวกับการเจริญสติไหมไม่เกี่ยวกับเป็นวิถีของสมถนะะเพราะงั้นการที่ไปคิดเอาคิดเอาเนี่ยมันเป็นสมถะ ม, มีนะอันนี้ไม่ใช่แตมาพูดเก่งลองเสิร์ชในพัฒน์ไตปิฎกหน่อเดี๋ยวง่ายนะใช้เสิร์ชเอามีคำว่ามิจฉาสติด้วยคือมิจฉาสติมันก็คือสติที่มันประกอบด้วยมิจฉาวิถีนั่นแหละ สมมติว่าเราเรากำลังจะยิงปืนยิงนกเนี่ยกำลังเล็ในนกขณะจิตที่เล็งเนี่ยไม่ได้มีโทรศัพท์เห็นไนหะขณะที่จดจ่อเนี่ยไม่ได้นึกเรื่องจะฆ่านกเลยจิตเนี่ยทำงานฉี่ยิบเลยเพราะฉะนั้นมิจฉาสติเนี่ยถ้าถ้าไม่ต้องไปพูดเรื่องญิงนกขนาไกลไปเอา ง, ง่ายๆเลย การที่เอาสติเที่ยวําหนดอยู่นี่นนมิจฉาสติก็ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่เห็นอริยสัจถ้าเมื่อไหรสติสักแต่รับรู้อารมณ์แล้วก็สัก แ, แต่รับรู้รูปนามนแล้วก็ตัวสัมมาสติเราไม่ต้องพูดเรื่องไปยิงอะไรไปไเอาขนาดจิตเนี้ถามว่าเรามีมิจฉาสติไหมมีแล้วผลของมิจฉาสติคืออะไรคือความสงบ กำหนดไปเรื่อยๆใจสงบลงไปสงบูงไปถามว่าเป็นฝ่ายกุนสนหรือเกูนสนเป็นฝ่ายกุนสนด้วยเพราะฉะนันสติเนี่ยถึงขนาดจะเป็นวิชาสติแล้วก็ยังเป็นธรรมะฝ่ายกูนสนได้แล้วที่พวกเราทำส่วนใหญ่จะเป็นตัว น, นี้ด้วยสิดูท้ององท้างยุบนะก็กำหนดลงไปถลาลงไปที่ เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดคือโลภะมีปัญหาแนวทางใการถึไม่ต้องกำหนดไม่ใช่ไม่ใช่ของอัตมาสอนมิเหมยชาวบ้านของอัตมาสอนยังไม่มีคำว่าต้องแต่ไม่มีคำว่าห้ามห้ามกําหนดไม่ไม่ห้ามกำหนดแล้วรู้ว่ากําหนดใช้ไดนะ้ขอให้รู้ทันเท่านั้นแหละ ไปาบว่าสติมีแต่ฝ่ดีฝ่ดนะีถามว่าเรากำหนดอย่านียดีหรือชั่วดีไปส่งมาโลกก็ได้แต่ถามว่าไปมกกั่กผลมิตรพานไหมมิชาสติไม่พาไปมกกั่กผลมิตรพานแต่พาไปสุขติภูมินี่เป็นธรรมฝ่ายดีใปในเรืเ่องของ 45, ะะอนทรีย์5้าักรรมา เขาบอกว่าเขาที่จะปรับคือ hey, ่วที่เป็นปนตาน่า so หัดคือตัวสติรืว่าอะไรนะสัทธาสัทธากับปัญญาของบาลานชนแล้วก็สมาธิกับอ่าอุณหภูมิปัญญาใช่สิเป็นตานั้นเป็นเฉพาะอาตมาไม่ค่อยสนใจในเรื่องการปรับ เราจะมาสนใจแต่ว่าขนาดจิตนี้อะไรปรากฏเข้ารู้ไปนเรื่อยๆเป็นต่องมันเองอย่างเราเรามีอะไรเป็นเครื่องวัดละ่นะสมาธิมีเรียกอะไรนะมีมาตรวัดนะตอนนี้มีสมาธิเท่านี้หน่วยใช่มนะ แล้มัมัดของสมาธิแต่มัดมัดของศรัทธาเนี่ยเป็นหน่วยมัดอย่างเดียวกันไหมย่างนีมาปรับให้สมดุลกันมันดุ่งบอบบางคือสังเกตใจเราเองไหมอย่าตอนนี้ใจเกิดศรัทธาขึ้นมานวะมีโยนิโสไว้เต้ารู้ลงไปเลยมันศรัทธาแล้วมันศรัทธางมงายไหมศรัทธาได้เหตุผลไหยเอาโยนิโศมาสร้างเทิการเนี่ยไปจำกับตัวเองไว้ ตอนนี้ทำความสงบมากแต่รือยังขี้เกียจปฏิบัติขี้เกียจรู้รูปนามหรือ ย, อยังนะพอใจแต่ความสงบแล้วอะไรนะเอความสังเกตนะอะไรไปจำกับตัวเองลงไปนี่ที่คิคดรู้ไหมสังเกตไหมตอนที่คิดนี่รูปนามหายหมดเนี่คือสภาวะที่หนึ่งไม่มีสติสัมปชัญญะหายเพหมดเลย อันที่สองมีสติอันเดียวกำหนดเอาไหมอันที่สามมีสติสัมปชัญญสะสักแต่ระลึกรู้ได้มีทปคิดอีกแกต้องทันนะนออในการทา ง, งานขรก า, นงงานการทางานการติรรในการทา ง, งานบางส่วนจะต้องใช้ ส, สญญติในกาบไม่่ันาว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยอันไหนปฏิบัติธรรมบ้างละ่ะ คำว่าปฏิบัติธรรมเป็นคำที่กว้างเหลือเไปทํามาหากินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ปฏิบัติธรรมเจริญสติเอาวัคค์ผลนิพพานก็ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะมันมีหลายระดับหลายตัวถ้าจะเจริญสติแล้วก็ไปนั่งทํางานที่ใช้ความคิดยากเพราะว่าทันทีที่รู้สึกตัวความคิดลูปแปรระดับสมมติว่าเราเป็นตัวเกิืเมื่อนั่งเขียนซอฟต์แวร์ เจริญสติรู้ตัวอะไรนิ้วขยับคีย์บอร์ดปักรู้สึกตัวหมดแนละ้วเขาไล่ออกจากงานต้องทำไมต้องรับโทษของการไล่ออกจากงานด้วการเจริญสตนะิเขาไม่ฉลาดเป็นเจริญสติผิดที่ผิดเวลาไม่ใช่คนดีเป็นคนดีต้องมีสักบุลิสธรรมเจริรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณใช่ไ ใช่แล้ฉันเป็นคนดีเน่ยฉันจเจริญสติแลทําไมไล่ฉันออกจาก ง, งานนึ่ใช้ธรรมะผิดผิดที่ผิดประเภทหรืออย่างขับรถยนต์อยู่อย่าไปเข้าสมาธิใช้ใช้ธรรมะผิดประเภทคุณฝึกมาจากไหนเนี่ยเออผมฝึกวัดจันลังอยู่ที่ไหนน้องอยู่วัดใดสมาธิหมุนนะนะั่นแะ อะไรนะสติสัมปชัญญะตลอดเวลาไม่ ม, ยย ม, ม, มีมีไม่ได้เพราะว่าสติสัมปชัญญะของอย่างพวกเรานีมีไม่ได้ตลอดเวลาเรื่องหกข้ารหัการท่านไม่เกี่ยวกับเราของเรานี่รู้บ้างเถือบ้างแต่อย่าเสือยาวอย่างตอนนี้เสือวิจิตรรู้ไหม ถ้ารู้ทันก็คือความปรุงแต่งอันดับคบชาติอันดับถ้าเผลอยาวก็คบชาติที่เป็นอกุศลมันยาวแต่ตอนเผลอไปนี่ถามว่าต้องเป็นอกุศลล้วนๆไหมไม่ใช่ตัวเผลอไปนั้นเป็นตัวโมหะจริงนะแต่ไปคิดเรื่องดีๆก็ได้เห็อกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ยังได้ไนหน้าที่มีแต่ความรู้ทันนะเนี่ยเผลออีกแล้วรู้ไหม รู้ลงไปทีลักษณะนะรู้ลงไปเริ่มเป็นบังคับให้มันนิ่งแลรู้ไหมแล้วยังไงก็พอดีนะครับคำว่าพอดีก็คื อ, อรู้ถัานเฉยเฉยมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะรู้ปัจจุบันได้รู้ก็คือไม่รู้ถัานไม่ต้องกำหนดง ไ, งไม่แทรกแซงนะอย่าไปแทรกแซง กำหนดนะั้นมันเป็นวิธีทำเบื้องต้นดีถาว่าไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่เป็นของดีทําไมต้องกําหนดอยู่ในอารมณ์มันเดียวก่อนละ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือจิตใจของเราเนี่ยมันหนีตลอดเวลาสร้างไปทางตะวันทั้งหกหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นใจตลอดเวลาโดยที่เจ้าตัวไม่เคยรู้เรื่องไม่รู้ว่าหนีไปแล้วหรอครูบาอาจารย์ท่านก็ฉลาด นี่นก็สอนบอกมากําหนดก่อนกำหนดอารมณ์มันเดียวสมมุติว่ากําหนดกระป๋องสานักหนึ่งเรียกกระป๋องนี้ว่าของยุคสํานักหนึ่งเรียกว่าลมหายใจอานาปันสติสํานักหนึ่งบุพุทโธสํานักหนึ่งเพ่งเทียนเพ่งแก้วกำหนดอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้คือหลักของสมถะพอจิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์มันนี้เนะ ไม่ใช่ให้จิตจดจอ่อนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นถ้าจิตจอนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นน่นคิอหลักของสมถธิจริงๆเลยมุ่งไปสู่ความสงบแต่ถ้าจะทําสมาธิทําสมาธิเพื่อเป็นฐานของวิปัสสนาให้สังเกตนิดหนึ่งพอเราจิตเราจดจอ่ออยู่กับอารมณ์นี้เรารู้ว่าจดจอ่ออารมณ์นี้จิตหนีไปที่อื่นรู้ว่าหนีไปที่อื่นนะจิตกําหนดอยู่แล้วเคลื่อนลงไปรู้ว่าเคลื่อนไปไอ้ตัวอารมณ์ที่เอามากําหนดนี้เป็นใช่เยื่ตกปลา เราจะเรียนเอาอตัวปลาให้ได้คือไอตัวจิตที่หนีไปตรงนี้หนีไปที่นี้รู้ให้ทันไปได้ด้วยถ้าเดียนข้ามาถึงตรงนี้ได้จะเห็นอริยสัจเร็วจะรู้เลยว่าจิตที่ทยานเข้าไปยึดอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนะจะนําความทุกข์มาให้จะอุทา น, นทันทีกําหนดอารมณ์สังเกตไหยหายใจมันต้องจะเกิดไม่เหนื่อยไปฝึกอานาปนาสติหายใจไม่กี่ชีเวิตไหนจะตายละ พุกมันเกิดพวกมันเกิด เ, เพราะการเขา้าไปกำหนดนี่ลยก็ดีดีดีกว่าดีกว่าปล่อยใจไปทำชั่วเออถึงแล้ว ม, มันมีระดับของมันเพราะไม่รู้หรือว่าถ้าเรา เพราว่าไม่ได้มีปัญหาที่จะเข้าไปแทรกแซงมันพอมีปัญหาอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติเนี่ยความทุกข์ก็เกิดแล้ว <c oughs> พวกเราอยากปฏิบัติเราก็ทุกข์อืมอะไรนะเราไม่ได้รู้เลยเรานะ ไ, ไมได้รู้ว่าลมหายใจโอ้ยอย่างนี้มันไม่ได้ปฏิบัติเลย ไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นงดี๋ยวประเทศไม่มีสติสัมปชัญญะนะรู้แต่ลมหายใจจ่ออยู่ันลมหายใจมีสติไม่มีสัมปชัญญะแต่เห็นรูปมันหายใจไปสักแต่รู้รูปหายใจมีสติสัมปชัญญะไม่เหมือนกันมีคาําถามที่าถาตนแรกบอกว่ามันเกิดมาแล้วนะไม่ได้กนะาหนดใชไหมไม่ได้รู้ด้นะวยก็สบายแต่ารู้ตรงใจใจกาหนดรู้ ก็ถุกเออ<ต>ถ้าถ้าเรางนึรู้มันมีน้ำหนักเลยเขาเช่นนั้นถ้าปฏิบัติแล้วอึดอัดนะรู้เลยว่าทําอะไรผิดตรงที่ว่าปฏิบัติแล้วมันอึดอัดขึ้นมาเนี่ยนะเอามาวัดได้ว่าผิดแต่ตรงที่ว่ามันเบาเอามาวัดไม่ถูกไม่ได้ไม่เหมือนกันอะไรนะ เพราะมันหลงมันไม่รู้ทุกมันรู้ลังหลงอยู่าจก่อนก่อนจะเป็นแล้วเริ่มรู้ก็ต้องมีใจรู้ก่อนอ่าจนลองตี ก, ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่มาถึงไม่แนะนําพวกเราว่าจะต้องแก้อย่างไงอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะต้องผ่านรู้ก่อนถ้าส่วนแล้ว ก, ก็เยอะเข้าไปเริ่รู้ได้เลยถ้าชมดิชนานาญก็เข้าไปรู้เริ่มรู้เลย นายยังนม่จบเลยใค่ะทานา็ยากจิดคือเจ็รวันไมเป็นเจ็ดปีนะอะไรเนี่ยที่ท่านจ่ายว่าเมื่อวานทไมนะว่าจะนได้นะคอ๋อนันพระพุทธเจ้าบอกไว้นะอันนี้ส่งของการเจริญสติปัฐานเราจะต้องเห็นผลในเจ็ดวันมันเลเจ็ดเดือนมันเปเจ็ดปีมันเริ่มปต่เจ็ดปี อย่างช้าเจ็ดปีหกปีห้าปีสีปีหนึ่งปีท่าบอกว่าบางคนไม่ถึงปีเจ็ดเดือนหกเดือนอะไรเงี้ยไงล่ออกมาจริงจริงเ น, นี่ยทั้งเจ็ดวันคือเราจะต้องไอ้ทื่อาตมาพูดเรื่องโเรื่องเจ็ดวั น, วนเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยเพื่อจะสะกิดพวกเรานิดเดียวว่าไอ้ที่พวกเราทํามาเกินเจ็ดปีแล้วอะ <c oughs> <c oughs> ทําไมมันเหมือนเดิม ทำไมมีแต่สงบแล้วพุ่งสร้างสงบแล้วพุ่งซ่านถ้าไม่เฉลียวใจว่าทําผิดอยู่แล้วก็อีเจ็ดชาติก็เป็นอย่างนี้งั้นถ้าเราไม่ใช่ตัปโตทิสั 3, ทําไปเจ็ดปีแล้วทําถูกต้องนะส่ควรจะมีผลบ้างถ้าทำไปแล้วไม่มีผ ล, ลว่าจีเลยมีแต่สงบแล้วพุ่งสงบแล้วพุ่งเราควรจะเฉลียวใจบ้าง อืมอืมอ eh ือนะแยตลาดไได้เปลียน